มาสักครู่องได้นั่งสมาธิกันไปพักหนึ่งแล้วนะก็การทำสมาธิด้วยหลักก็พระองค์ให้ตั้งจิตยอยู่กับกายเอาจิตของเราเนี่ยรู้อยู่กับลบบมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกหรือรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบท ถ้าเกิดเราเดินก็รู้การเดินอย่างนี้ก็ได้หรือรู้อยู่กับการทำงานในปัจจุบันขณะที่เราทำงานอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้ทำงานอะไรนะพระองค์ตรัสกับพ้านนทว่านี่คือสติอธิษฐานการงานเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันแค่เราตั้งใจทำงานก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะแล้ว การเอาจิตอยู่กับกายจะเป็นลมหายใจก็ตามเป็นการเคลื่อนไหวรีบทก็ตามเป็นการทำงานในปัจจุบันก็ตามเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความไม่ตายพนะระองค์จึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายกะคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตะธรรมนะ ใกา้เอาจิตอยู่กับกายเนี่ยคนนั้นกําลังจะได้อมะตะธรรมคือความไม่ตายเราจําคํำผู้เจ้าสั้นๆไว้แค่นี้ก็พอละนะพระศาสดาของเราเคยพูดเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วว่าผู้ใดบริโภคกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมตตาธรรมนะถ้าโยมลืมการเอาจิตตั้งอยู่กับกายก็ชื่อว่าลืมอมะตะธรรมเหมือนกันหลวงบอกว่ากายยคคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืม อมะตะชื่อว่าอั น, ชนเชลานั้นหลงลืมถ้ายมลืมกายก็ลืมอมะตะเหมือนกัน <c oughs> หลักของการภาวนาเนี่ยพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลด การเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชะลามรณนะแก่และตายแก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนอนท์ว่าอนอนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนท์ก็บอกว่าไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้อง เพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยจิตก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคต มีสติดึงกลับมานะะความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะไปเกาะกับเวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเปลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก <c oughs> <c oughs> นี่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชลามณนะพบชาติชลามนะเกิดตลอดเวลา ขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างพบชาติชาลามรณะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาททหามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายนะ <c oughs> ก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อน ตัวอารมณ์มันเดียวเนี่ยคือเอาวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะกับกายขันทั้งหมดมีห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาเกาะกับกายเข้าไว้นะวิญญาณเกาะกับกายเสร็จเนี่ยทิ้งสามขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้งไปคิดอนาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกรีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้ <c oughs> กอดกับกายเข้าไว้การเกิดของเรานะในขันต่างๆอีกสามขันจะถูกทิ้งโดยอัตโนมัติถูกทิ้งทันทีเลยดับการเกิดไปได้สามขันเหลือขันเดียวนะขันเดียวตรงนี้เอาไว้ตอนที่โยมจะตายลมหายใจสุดท้ายของชีวิตผู้เจ้าบอกให้จิตอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิต เมื่อกายแตกทำลายปั๊บเนี่ยนะจิตหาที่เกาะไม่ได้นะเมื่อจิตหาที่เกาะไม่ได้พระเจ้าบอกจิตก็จะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มีแค่นี้เองนะอืมหลักการเป็นอย่างนี้เพราะนั้นหลักการไม่มี อะไรซับซ้อนมากนะแค่สร้างแค่โยมต้องละความยึดมั่น5ธรรมชาตินี้ให้ได้เพราะ5ธรรมชาตินี้เป็นของแตกสลายเหมือนแก้วใบนี้ทำยังไงจะไม่ให้แตกนะไม่มีวิธีเพราะมันเป็นของเกิดสิ่งใดเกิดมาแล้วแตกแน่นอนคือต้องตายธรรมชาติที่มีการเกิดจะมีการตาย คนนั้นทำยังไงจะไม่ให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเกิดขึ้นปับ๊บต้องดับการเกิดทันทีถ้าโยมสามารถดับได้เร็วเท่ากระพิบตาพระศาสดาก็จะชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาันเลิมนั่นคือโยมจะเพลินกับอารมณ์น้อยลงน้อยลง ความเร็วความเร็วในการเอากลับมาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นคือโยมมีสติไวขึ้นนะเมื่อสติไวขึ้นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันก็ต่อเนื่องยาวนานขึ้นความรู้ตัวที่อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าจิตโยมมีสมาธิโยมจะทําอะไรมันก็จะตั้งมั่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้นานๆและถ้าจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้ทําอะไรก็ดีหมด งานก็ดีชีวิตก็ดีคิดอ่านอะไรก็ดีหมดพระเจ้าจึงบอกว่าตรงนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาทำให้ปัญญางอกงามปัญญาภัยบูนปัญญาแ่นปัญญาเร็วปัญญาไวนะปัญญาจะเกิดได้พยมทำสมาธิละความคิดอกุศลทั้งหลายและอารมณ์ทั้งหลายออกไปนิวรณ์ทั้งห้าออกไปอกุศลออกไปอันนี้จะเป็นเหตุให้ปัญญาเราเกิดขึ้นมา เมื่อจิตยมตั้งมั่นยมปล่อยวางสามขันธ์ที่เหลือเนี่ยแล้วเนี่ยสิ่งที่ยมจะได้ฝึกตลอดเวลาระหว่างที่มีการละนันทีคือความเพลินคือยมจะเห็นการเกิดการดับตลอดเวลาจิตยมเผลอไปคิดเรื่องอดีตยมจะเห็นว่าลมดับความคิดอดีตเกิดเมื่อยมละความเพลินเอากลับมาที่ลมยมจะเห็นความคิดอดีตคือสัญญาดับนะลมเกิด จะเห็นการเกิดการดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานั่นคือเราเห็นอริยสัจสี่เห็นอย่างที่พระราศาสดาเห็นเห็นสมุทัยคือเกิดเห็นหนิโรธคือดับสิ่งที่กำลังเห็นคือตัวทุกข์และสิ่งที่กำลังทำอยู่คือมรรคเจริญมรรควิธีคือสร้างสติหรือการละนันทิดึงกลับมาตรงนี้นะกลับมาอยู่ปัจจุบันตรงนี้นั่นการปฏิบัติภาวนาธรรมแค่นี้ นะตามแค่นี้อมไม่มีอะไรซับซ้อนมากแค่หลักการแค่นี้โยมก็ทํำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ เ, เ, เครื่องวัดคือความเร็วในการกลับมาเนี่ยจะเร็วขึ้นโยมเคยนั่งสมาธิเผลอไปนั่งครึ่งชั่วโมงก็นั่งคิดมันตั้งครึ่งชั่วโมงเลยอย่างนี้อาการอย่างนั้นก็จะค่อยๆหมดไปอาจจะเผลอไปคิดสัก 3. นาทีสี่นาที5นาทีดึงกลับมาได้ต่อไปก็จะเร็วขึ้นนาทีหนึ่งดึงกลับมาได้ต่อไปก็วินาทีเดียวหลุดไปปั๊บกลับมาได้นี่คือกระพริบตาเดียวพระศาสดาก็จะชมว่าเรามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศถ้าเราทำงานอยู่ก็อย่างที่บอกให้ตั้งใจทำงานถึงกรอบมันจะกว้างโยมยังคิดโน่นคิดนี่อยู่แต่กรอบคือใช้งานเป็นกรอบ ยมคิดอยู่ในงานไม่คิดออกไปนอกการถ้าเราทํางานอยู่ใจคิดว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนอันนี้คิดไปนอกงานละเราก็ดึงกลับมาให้อยู่ในกรอบขององานอย่างนี้ระหว่างนี้มีคำถามอะไรไหม นักกายจะตามสักตามได้ไม่ทราบ<ม>เพื่อ น, อนๆมีคําถามไหมคะอาจจะลองคิดในใจก่อนก็นได้นะคะแล้วเดี๋ยวาจะเอาไม้ไปให้นะคะสามารถถามพระอาจารย์ได้นะคะแต่คราวนี้มีคําถามที่มีเพื่อนๆส่งมาให้นะคะพระอาจารย์ ม, มันก็จะมีค่อนข้างจะหลายเรื่องนะคะแต่ถ้าเรากําลังพูดถึงเรื่องของการทําสมาธิในเรื่องของการทํางานจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกสมาธิะคะ่ะว่า การดูลมหายใจหรือการทำอานาปานาสติที่พระอาจารย์นะคะได้บรรยายพวกเราทราบจะสามารถทำให้เราดุดพลได้อย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้านะคะท่านได้กล่าวไว้ไว่าอย่างไรอยากจะให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างะคะในเรื่องของการฝึกอนาปานาสติจะสามารถที่ทำให้เราหลุดพลได้อย่างไระคะด เ, ดเดี๋ยวจะให้ดูโพชงเจ็ดพระศาสดาอธิบาย การรู้ลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยนะไปจนถึงบิมุตเลยนะ อ, อันดับแรกลองไปดูสติปัฏฐานสี่ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะบริบูรณ์เพราะอนาปานาสติบริบูรณ์นะถ้าเราอยากดูว่าพระศาสดาอธิบายไว้อย่างไร พรนะพุทธเจ้าของเราเองเมื่อสองพันกว่าปีอธิบายอย่างนี้นะพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายอาณาอธิบายสติปัฏฐานสี่ด้วยการทําอาณาปานาสติอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออ ก, ออกแค่นี้นะพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรสติปัฏฐานทั้งสี่ยิงทําสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์ได้จเจริญอาณาปา ย, ยัางไง ทำให้สติปัฏฐาน4ี่บริบูรณนะ์ก็จเจริญอย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรูนะ้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะนั้นตัวอนาปาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ครบถ้วน ในตัวของมันเสร็จนี่คือมุมของการเห็นกายในกายแล้วพระองค์ก็อธิบายเพิ่มว่าเพราะพระองค์เห็นว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนี่ยมันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเธอกำลังเห็นกายในกายนะ ลองไปดูอีกอันหนึ่งเวทนาก็ได้ขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยสุขทุกข์มะไม่ได้สุขทุกข์เฉยๆขณะที่เฉยๆเนี่ยคือเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะ <c oughs> นั้นขณะที่นั่งไปเนี่ยเราเกิดปิติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตแล้วทำจิตตสังขารให้ลำงับชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาเพราะองค์บอก เราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกษุทนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำนะมีความเพียรเผากิเลสกำลังเพียรเผากิเลสละแค่นั่งรู้ลมเนี่ยนะไปดูจิตตามลูกศรนาแค่นั่งรู้ลมก็เป็นการดูจิตนะถ้าทำจิตให้ <c oughs> ปลาโมดนะ ตั้งมั่นปล่อยอยูนะ่ชื่อว่าเห็นจิตในจิตนะด้วยการรู้ลมเพราะพระองค์บอกเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำจิตผู้รู้เนี่ยมารู้ลมหายใจเนี่ยถ้าโยมรู้ลมเป็นกายานุปัสนาถ้าโยมรู้สึกถึงความเฉยๆขณะที่รู้ลม เป็นเวทนานุปัสนาถ้ายมรู้ว่าจิตฉันกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตาณุปัสนาคือตัวนี้เพราะองค์จึงบอกเราไม่กล่าวอนาป่าคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมหายใจเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติลืมหลงไม่มีสมัมผััญญาเพราะฉะนั้นถ้ารู้ลมอยู่ก็คือมีสตินะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ลมเนี่ยจะบอกว่า เป็นผู้ขาดสติหรือสติลืมหลงไม่ได้นั่นแสดงว่าขณะรู้ลมเธอเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะและนั่นคือเธอกำลังรู้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมเป็นจิตตานุปัสสนาและถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตรู้ลมอยู่แล้วเห็นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างนี้ครูเจ้าบอกนี้เป็นธรรมานุปัสสนาสิะฐาน เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเียอาการนี้เห็นความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนะเมื่อเห็นตรงนี้แล้วทําอย่างไรพระเจ้าบอกให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูให้ดีในจิตที่ตั้งมั่นเพื่อให้เห็นตรงนี้ไง นันเวลาเราจิตเราตั้งมั่นไม่ว่าจะระดับใดก็ตามเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นการแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนคือเห็นอริสัตย์แค่นั้นเองเกิดดับนั่นเองอนะถ้าโยมจเจริญอาณาปานสิทิอย่างนี้อานาปานสิิอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้เห็นนะอาราณะนะทีนี้โยมรู้ลมอย่างเดียวแล้วนะสติปัฏฐานบริบูรณ์นะแล้วดูว่าสติปัฏฐานบริบูรณ์เนี่ย เดี๋ยวพ่อชงเจ็ดจะบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างไรไปดูพ่อชงเจ็ด <c oughs> <c oughs> นะแล้วจากพ่อชงเจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุติจะปรากฏขึ้นจะบริบูรณ์นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปทําวิธีอะไรเลยนะไม่ต้องมีอสุภภาพไม่ต้องมีอาหารปฏิกูลไม่ต้องไปนั่งอดหลับอดนอนอดข้าวอดาหารไม่ต้องนั่งรู้ลมเฉยๆนี่รู้ลมเข้าล ม, าลมออกลมเข้าลมออกเห็นไนหะมเพราะนั้น พุทธเจ้าก็ตรัสว่าจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรพุทชงเจ็ดจึงจะบริบูรณ์ได้นะสมัยใดพิสูจน์ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะตามเห็นกายในกายก็คืออะไรรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกที่พุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเราต้องเชื่อมคําพูดพุทธเจ้าให้ได้ จากพระสูตรนั้นเชื่อมมาพระสูตรนี้พระสูตรนี้พูดแต่เห็นกายในกายเห็นไหมพระสูตรเมื่อกี้บอกว่าขณะรู้ลมอ่ะชื่อว่าเห็นกายในกายจับมาเชื่อมต่อเลยบอกว่าขณะเห็นกายในกายเนี่ยชื่อว่าเพียนเผาคิเลสนะแล้วพิสูจน์นั้นเนี่ยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะเลื่อนต่อไปนะสมัยใดสติของพิสูจน์ผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงโยมตั้งอยู่กับลมยาลืมลมนะเพราะนั้นถ้าโยอมไม่ลืมลมหายใจ ขณะนั้นสติสัมโพชฌงค์โยมบริบูรณ์ละนะเมื่อสติสัมโพชฌงคบริบูรณ์ต่อเลยไหมต่อเลยได้รู้ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่ต้องไปเวทนาจิตตาธรรมะเพราะสติปัฐานทั้งสี่สมบูรณ์ในตัวของมันเองโยมเจริญกายานุปัสสนาแค่รู้ลมถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลยเจริญตัวนี้ก็ถึงวิมุตได้เลย นี่ยกมาหนึ่งอันที่พระศาสดาอธิบายรู้ลมบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงบริบูรณ์พอโพชฌงปั๊บผู้เจ้าแยกทีละตัวผู้เจ้าลงทุนอธิบายเนี่ยในสติปัฏฐาน4เนี่ยว่าขณะกายานุปัสนาบริบูรณ์เนี่ยจะทําให้วิมุตติบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งเจ็ดยังไงแล้วก็มาเริ่มอธิบายใหม่พูดใหม่ว่าถ้าเวทนาบริบูรณ์ด้วยการดูลมหายใจอย่างเงี้ยวิชาวิมุตจะบริบูรณ์ยังไง พูดซ้าเหมือนกันสี่รอบเปลี่ยนแค่กายเวทนาจิตธรรมเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นในส่วนของกายอย่าลืมลมในส่วนของเวทนาอย่าลืมเวทนาในส่วนของจิตอย่าลืมจิตในส่วนของธรรมอย่าลืมธรรมคือการไม่เที่ยงจางกลายดับไม่เหลือนะท น, นี้เรามาดูในส่วนของกายอย่างเดียวเพราะอันเดียวก็เข้าถึงวิมุติได้แล้วนะพเจ้าก็บอกสติสัมพุทชงก็คือเรายังไม่ลืมลมหายใจ สั่งง่ายๆแค่นี้สอดรับกับพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ไหมว่ากายยะคตาสติอัญชนเราใดหลงหลืมอมะตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นหลงหลืมเห็นนะนี่คือความสอดรับของคำพระเจ้าโยมไปดูกี่พระสูตรก็ตามคำพระเจ้าจะแมตตกันหมดเลยสอดรับกันสอดรับกันหมดไม่มีการขัดแย้งกันพระเจ้าบอกเลยตัวพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันนะเพราะฉนั้นคำพระเจ้าเนี่ยขัดกันไม่ได้นะ นั้นเมื่อโยมไม่ลืมแค่ไม่ลืมลมนี่นะสติสัมโพชฌงป่ารบแล้วนะเต็มรอบแห่งการเจริญบริบูรณ์ละนะจากนั้นเนี่ยภิกษุเมื่อมีสติเช่นนั้นอยู่เนี่ยย่อมทําการเลือกเฟ้นใครควรทํขาขณะที่เลือกเฟ้นใครควรทําอยู่เนี่ยขณะนั้นชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเนี่ยถึงการเต็มรอบแห่งความเจริญโยมใครควรอะไรจิตโยมเนี่ยไม่ลืมลมอยู่กับลมเนี่ย ยมดูสิลมมีชีวิตไหมไม่มีอา้าวแล้วใครเป็นคนรู้ลมอยู่ใครเป็นคนไม่ลืมลมยมก็จะรู้จักวิจารณ์ขันทันทีคือผู้รู้หรือจิตเราที่กําลังรู้ลมอยู่ลมพัดไปมาเนี่ยมีชีวิตไหมไม่มีความรู้สึกอะไรลมที่ไหลเข้าไหลออกก็ไม่รู้แล้วใครเป็นคนรู้ว่าลมกําลังไหลเข้าไหลออกเนี่ยจิตนะยมจะเห็นสองธรรมชาติทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยธรรมวิจยะ ไม่ต้องไปวิจัยที่ไหนไกลวิจัยตรงนี้จุดที่เราอยู่ตรงนี้ว่าตรงนี้คืออะไรเข้าใจไหมอ่านั้นเราค่าควรตรงนี้เนี่ยธรรมวิยาสัมโพชฌงค์บริบูรณ์นะจากนั้นวิยะสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เพราะว่าขณะที่โยมค่าควรตรงเนี้ยความเพียรที่โยมทําตรงเนี้ยความเพียรที่เราไม่ลืมหลมและค่าควรตรงเนี้ยพรุทธเจ้าบอกเนี่ยเป็นวิยาสัโพชฌง์ ภิกษุนั้นเมื่อเลือกเฟ้นไข้ควรอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาเนี่ยขณะที่เลือกเฟ้นไข้ควรทำความเพียรนั้นไม่ย่อหย่อนยมต้องมีความเพียรละขนาดนั้นชื่อว่าเป็นธรรมอันภิกษุนั้นป่ารบแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนอันภิกษุผู้เลือกเฟ้นไข้ควรทำนั้นด้วยปัญญาป่ารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสำโภธชมก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นป่ารบแล้วนะถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญ และถ้าบุคคลมาทำอย่างนี้อยู่ปิติจะเกิดนะเพราะจิตยมจะเบาจากอกุศลไปจะเบาจากความฟุ้งซ่านนะจิตจะสงบลงมากให้ควรอยู่ในจุดเล็กๆนิดเดียวตรงนั้นนะพระเจ้าก็จะเรียกเป็นปิติสำโพชงนะอาการจิตจะไหลไปตามของมันเองปิติจะเกิดนะปัสสัตทิจะเกิดนะเพราะนั้น เมื่อความเพียรอันปารบแล้วปิติอันเป็นนิรามิตรก็จะเกิดขึ้นนะรัะ้้นถาโยมมีความเพียรได้ขนาดนี้เป็นไปตามอาการนี้ไม่ลืมลมเนี่ยนะไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนิ่งอยู่กับลมไข้ควรอยู่ตรงนี้แค่นั้นปิติจะเกิดก็ชื่อว่าปิติสัมโพชงเป็นนั้นว่าพิสุนั้นปาลารบแล้วโพชงแปลว่าองค์ตัดสลุรรมนี่อธิบายตอนที่กําลังจะตัดสลุดบรรลุธรรมขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ที่จะเข้าวิมุตติเข้าใจไหม เมื่อยมมีปิติแล้วจิตจะเดินไปสู่ความเป็นปสัสสินะพุทธสนั้นเมื่อมีใจประกอบด้วยปิติแม้กายก็รำงับแม้จิตก็รำงับจิตยมที่มีปิติเนี่ยใครเคยได้ปิติเนี่ยจิตจะนิง่งและจะมีความสุขขึ้นมาตัวสุขตรงเนี้ยก็คือตัวปัสสธินั่นเองนะูะพเจ้าจึงบอกว่าสมายัยใดทั้งกายและจิต ของผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมรำรับสมัยนั้นปสัสติสัมพุทชงก็เป็นอันว่าพิสูจน์น้ปลาลบแล้วมันจะติด ก, กันเลยเหมือนโยมรักษาศินเมื่อศิลโยมดีไม่ต้องไปบอกว่าโยมจะไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเรียกอวิปปติสารย่อมเกิดขึ้นเองนะนั้นอย่างเดียวกันขอให้โยมตั้งจิตครั้งแรกไว้ถูกคือไม่ลืมลมหายใจจิตจะเดินไปตามอาการนี้ เมื่อมีปัสสติตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธินะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนั้นก็คือสมาธิสมโภชฌ ม, มีความพร้อมนะใกล้จะบรรลุธรรมละนะภิกษุนั้นเมื่อมีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่จิตย่อมตั้งมั่น พิสษุทั้งหลายสมัยใดจิตของพิสูจนผู้มีกายอันรำงับแล้วมีความสุขอยู่ย่อมตั้งมัน่นสมัยนั้นสมาธิสำโพชงก็เป็นนั้นว่าพิสูจนนั้นปลาลบแล้วทีนี้จะหลุดพ้นยังไงก็ไปเป็นอุเบกขาสำโพชงจิตที่ตั้งมัน่นพระเจ้าให้ไปทำํำยังไงให้เข้าไปเฝ้าดูถ้าพิสูจนนั้นเน่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวจะเห็นอะไร เห็นการแปลเปลี่ยนเห็นการเกิดดับนะภิกษุนั้นย่อมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีจิตตั้งมั่นแล้วให้เข้าไปทำอย่างนี้เข้าไปเฝ้าดูนะสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบคาสำโพธชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นป่ารบแล้ว อ่าล่ะโยมเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชงโพชงโจที่เจ็ดวิชาวิมุติจะปรากฏแล้วนะนั้นเมื่อโยมเฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะให้เห็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้เกิดดับปล่อยแต่ให้เข้าไปเฝ้าดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนี้นิดนิดนิดนสังเกตให้ดีเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เวลาจิตตั้งมั่นไม่ได้เข้าไปเฝ้าสังเกตให้ดีจึงบอกไม่เห็นมีอะไรเกิดดับเลยมันก็นิ่งดีนี่นี่ เห็นนะซึ่งพระเจ้ายืนยันสมาธิ7ระดับเกิดดับหมดไม่มีอะไรไม่เกิดไม่ดับนะจะมีสมาธิสองขั้นสุดท้ายแคนั้นคือในวัสัญญานาสัญญาจตนากัรสัญญาเวทิเทโลดที่ไม่มีอะไรเกิดดับวิธีจะเห็นเกิดดับต้องออกจากสมาธิมาแล้วเข้าไปใหม่เพราะนั้นสมาธิทุกขั้นที่คนส่วนใหญ่ทำได้เกิดดับหมดเพียงแต่เราเข้าไปสังเกตไม่เห็นแค่นั้นเอง ยังมีการเกิดดับในองค์ของสมาธิอยู่แต่มันละเอียดนะผู <c oughs> ้เจ้าจบไว้ตรงนี้แล้วก็ย้อนไปอธิบายเวทนานุปัสนาสิปทานตรัสเหมือนกันทุกตัวอักษรเปลี่ยนแค่เป็นเวทนาเห็นนะเพราะฉะนั้นเวลาศึกษาพุทธวจนะเวลาพระศาสดาพูดซ้ำอย่าพึ่งเบือ่อมันมีนัยสำคัญคือบ่งบอกให้เราทราบว่า ทั้งสี่สติปัฏฐานสมบูรณ์ในตัวมันเองไม่ต้องไปวิ่งทำทั้งสี่อันอย่างที่บางคนเข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำอันเดียวก็ได้เข้าวิมุตต์ได้เทนี้ไปดูว่าเข้าวิมุตต์อย่างไรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์ทั้งเจอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําวิชาและวิมุตต์ให้บริบูรณ์ได้ เมื่อกี้เราเดินมาถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ใช่ไหมพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อนาัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักะตัวนี้อีกเหมือนกันตัวโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยทั้งเจ็ดตัวเนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองอีกยมเจริญสติสัมโพชฌงค์อย่างเดียวนะจเจริญวินะริยะนะเจริญธรรมวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขา แต่ละอันถ้าจเจริญด้วยอาการอย่างนี้คือวิเวกวิราคะนิโรดนอมเพื่อโวสักขะนะโยมก็สามารถเข้าวิมุตต์ไดนะ้นั้นขณะที่จิตโยมตั้งมัน่นอุเบขาสัมโพชฌงบอกอะไรให้โยมเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมัน่นนั่นคือโยมไม่ไปเป็นตัวความตั้งมัน่นแต่โยมเป็นผู้ดูความตั้งมั่นนั้นอีกที เมื่อเป็นผู้ดูความตั้งมั่นแสดงว่าผู้รู้กับอารมณ์ที่กำลังตั้งมั่นนั้นเป็นอื่นจากเราผู้สังเกตอยู่เป็นคนละตัวกันและเมื่อโยมเข้าไปเฝ้าดูให้ดีนะผู้เจ้าจึงบอกว่าอาศัยวิเวกจิตที่ตั้งมั่นอาศัยวิลาคะจิตที่จางคลายอาศัยนิโรธเมื่อจิต ด, ดับน้อมไปเพื่อโวสัะปล่อยวางเลยโยมก็หลุดพ้นณจุดนี้ นี่พระเจ้า อ, อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดเป็นเหตุเป็นผลหมดยมจะเห็นภาพของการที่ว่าทําไมพระเจ้าจึงสอนการละความเพลินจิตอยู่กับลมตั้งมั่นตรงนี้หรืออยู่กับกายแล้วไปตามลําดับหลุดพ้นได้ยังไงเห็นนะะนั้นคนจะมองไม่ออกเอ้ยไปนั่งรู้ลมมันก็โง่สิไม่ได้คิดเนี่ยนี่คิดไปพื้ น, พ, นพื้นอย่างนี้บางคนบอกโอ้ยรู้แค่ลมก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาพระเจ้า อ, อ, อธิบายจนถึงวิมุตตินี่เพราะไม่ศึกษาคําศาสนาตัวเองเห็นนะอืม ก็พูดกันไปตามภาษาของเราผู้ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ดังนั้นอาตมาถึงบอกว่าพระศาสดาทาไมจึงเน้นยามาต้องศึกษาคาของพระองค์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกนะละเอียดมากอย่างนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าอ่าตัวนี้นะอะ่ลองเลื่อนไปธรรมะวิยะวิริยปติปสติสมาธิอุเบขาได้หมด อย่างได้อย่างหนึ่งถ้าอาศัยวิเวก ค, คือจิตที่ตั้งมั่นขณะนั้นวิราคาจิตจางคลายนิโรธเมื่อจิตดับน้อมไปเพื่อโวสกะรีบปล่อยวางทันทีอยู่ที่อินทรีย์บารมีแต่ละคนวะทันหรือเปล่าโพชฌงทั้งเจ็ดอนบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าทำวิชาวิมุตให้บริบูรณ์ได้ดังนี้นะโอเคไมอันนี้อธิบายให้ทุกตัวกษรอย่างละเอียดนะ <Okay. S 2> uh huh. พอ uh, ฟังพระอาจารย์บรรยายนะคะเรื่องของ uh, ประโยชน์แค่การรู้ลมหายใจตลอดเวลา uh huh. ไม่อยาก uh huh. ไม่อยากเชื่อว่าทําให้รู้สึกว่านี่เป็นครั้งแรกคร่ะ uh huh. ที่โยม uh, เกิดมากับครึ่งชีวิต uh huh. <laughs> ได้รู้สึกว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่มากที่สุดและก็นานที่สุดนะคะเลยทำให้เห็นว่าการรู้ลมหายใจค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากประโยชน์มากค่<า>ะ เลย uh huh. ทำให้ถึงคําถามข้อถัดไปค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเราหมั่นที่จะดูลมหายใจของเราบา่อยๆ uh huh. ตลอดเวลาในช่วงชีวิตของเราแบบนี้สามารถเทียบได้ในในในแง่ของเรื่องของการได้บุญถ้าเทียบเท่ากับการไปนั่งปฏิบัติธรรมที่วัดหรือไม่คะพระอาจารย์โอ้ oh, oh. สุดยอดของกองกุศลแล้วนะเพราะมันทําให้ได้วิมุตต์แล้วยมจะรู้ลมหายใจที่ไหนมันก็รู้ลมได้ มันเป็นเรื่องในตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ภายนอกเลยที่ทำงานก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ในห้องส้วมก็ได้นะได้หมดเลยจิตผู้รู้นั่งรู้รู้ลมหายใจอยู่มันจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะซึ่งเพราะความตายของเรามันเกิดได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาและทุกขิริยาบทนะนั้นเราก็จะเห็นว่าที่พระเจ้าบอกว่านะ กายคต า, าสติอันชนเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเรานั้นหลงลืมเห็นไหมมันจะชัดเลยครูเจ้าจึงเน้นนะอยู่กับกายนะเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่างนี้ถ้าบริโภคกายก็ชื่อว่าบริโภคอมตะเห็นนะมันจะโยงกันมาถึงตรงนี้นั้นเราจะรู้ลมที่ไหนก็ได้และการรู้ลมหายใจนั้นเป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลสูงสุดดีที่สุดแล้วนะ เราให้คนป่วยก็จะตายรู้ลมบอกว่าบางคนบอกอ้ยไปนึกถึงบุญสี่เยอะๆไปซะทำบุญ น, น้นไม่รู้ว่าจิตรู้ลมนะ่ะคือกองกุศลที่แท้จริงเนี่ยไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่สติปัฏฐานทั้ง4ี่สี่อย่างไรเล่าเห็นกายในกายก็ย้อนไปนั่งรู้ลม พระพุทธเจ้อาอธิบายสติปัฏฐานสีด้วยอาณาปานสติมันคือกองกุศลแล้วยมจะไปวิ่งหากองกุศลที่แท้จริงที่ถูกต้องตรงไหนนี่คือมุมมองที่เรามองไม่บอกว่าการที่เอาจิตรู้ลมเนี่ยคือกองกุศลนี่ไงนะ พงั้นพวกเราคงต้องคอยหมั่นเตือนกันนะคะเจอหน้ากันก็อาจจะบอกรู้ลมหายใจหรือยังนะคะจะได้ช่วยกันถึงวันที่สุดของกองกุศลนะคะค่ะแล้วเป็นคํำถามที่ถัดมาในเรื่องของทุกครั้งที่เรารู้ลมหายใจใช่ไหมคะพระอาจารย์สิ่งที่เรามักจะเกิดขึ้นเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆคือเรื่องของการที่เราต้องมีนันทิเรื่องของความเพลินเพราะว่าเราเนี่ยสะสมความคิดความเพลินความฟุ้งซ่านการต้องคอยคิดวิเคราะห์คิด ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปเลื่อยเืยเปื่อยค่ะเพราะเหตุนี้ทําให้เราเนี่ยจะต้องทําให้เราไม่สามารถที่ละทิ้งความฟุง้งซ่านหรือว่านันทิต่างๆเนี่ย<ม>ได้ยากเลยอยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทําให้เราสามารถที่จะดึงคอยดึงละนันทิความฟุ้งซ่านต่างๆนะคะออกไปได้ให้เร็วที่สุดนะคะพระอาจารย์ค่ะ<อ>ไม่มีวิธีใดแล้วเพราะว่านี่เป็นเทคนิคสุดยอดเทคนิคแล้วสิ่งที่จะทําให้ได้เร็วขึ้นก็คือ การทำมากเจริญมากนั้นอย่างพระอนนท์เนี่ยรู้หมดแล้วไม่รู้จะรู้อะไรแล้วนะพูะเจ้าก็บอกอนนท์ทำให้มากจะเิญให้มากแล้วจะสิ้นสงสัยมีอย่างเดียวคือทำมากเจริญมากทำบ่อยไม่ต้องเอาอะไรมาเตือนเราฝึกเราเตือนเราเองนะบางคนบอกคอยเอาเครื่องมาสั่นกระตุ้นเตือนอย่างนี้ไม่ต้องอุปกรณ์มันกระตุ้นเตือนเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินพอชินแล้วก็นึกเองไม่ได้ละต้องฝึกเอง ฝนะึกการระลึกได้กลับมาเองกลับมาเองกลับมาเองเลยๆอาศัายจิตเราเองฝึกจิตเราเองนะพูะเจ้าอุปม า, มาเปรียบเหมือนเทา้าล้างเทา้าเทา้าเปื้อนเนี่ยก็เอาเท้าถูเท้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเท้าก็สะอาดได้นะคือต้องฝึกบ่อยๆนะคะฮะฝึกบ่อยๆแล้วจะรักความเพลินได้เร็วขึ้นะนะคือการรักความเพลินเนี่ยจิตหลุดพ้นได้เลยนะพรเจ้าบอกว่านันทิคยาราคคโย เพราะความสิ้นแปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นแปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานนันทิขโยเพราะความสิ้นแปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นแปแห่งความเพลินเพราะความสิ้นแปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดีดีแค่ละความเพลินอย่างเดียวเนี่ยจิตหลุดพ้นเลยแต่เมื่อยังลกความเพลินแล้วยังไม่หลุดพ้นทํำยังไงเอาจิตมาเกาะอยู่กับหลักสักหลักหนึ่งก่อนคือลมหายใจ รัตฐาคตจึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะถ้าเราไปดูเรื่องบุรุษจับสัตว์หกชนิดนะผู้เจ้าก็จะเปรียบเหมือนคนจับสัตว์มาหกตัวแล้วก็ผูกกับเสาเขื่อนเสาหลัก <c oughs> พอไอสัตว์หกตัวนี้พอปล่อยไปมันก็ยื้ยุ่ยชืดกันไปในที่สุดมันก็หมดแรงมานั่ ง, งจา่าวนอนจ่าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักผู้เจ้าจึงสรุปว่ากายยกตาสติเนี่ยนะเป็นเสาเขื่อนเสาหลัก ภิกษุทั้งหลายคําว่าเสาเขินหรือเสาหลักนี้เป็นคันเรียกแทนชื่อแห่งกายยัตาสตินะผู้เจ้าจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสําเหนียกใจไว้ว่ากายยัตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากเห็นนะทําทให้มากกระทําให้เป็นญาเนเครื่องนําไปเป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนือง เพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารัสม่ำเสมอด้วยดีเห็นนะสำเนกใจารไว้อย่างนี้ต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆ น, นะเนี่ยพระสูตรคำพระาศาสดาเนี่ยมันกระจายอยู่ในตรงนู้นตรงนี้นะกว่าจะรวบรวมมาได้เรียงร้อยให้มันเป็นเหตุเป็นผลกันให้โยมเห็นภาพว่าวพระเจ้าเนี่ยตอกย้าอย่างนี้อย่างนี้เรียงลําดับกันอย่างนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโยมต้องอาศัยความที่โยมเนี่ยเข้าไปศึกษาพุทธพจนะ มากแล้วก็เก็บเกี่ยวพระสูตรออกมาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเรียงร้อยกันอย่างนี้ค่ะคำถามถัดไปอะคะ่ะเป็นคําถามาที่มีพี่ท่านหนึ่งอะคะ่ะได้มีโอกาสได้ดูที่ท่านพราานะอาจารย์ค่ะได้บรรยายไว้แล้วท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงคําว่ า, เ, าเราจะต้องไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัย โดยมีเนื้อหาว่าเราจะต้องยึดมั่น mm hmm. เชื่อมั่นและศรัทธาในศาสดาของเรานะคะนี้มีคําถามถามพระอาจารย์ว่าคําว่าไม่หวั่นไหวมีขอบเขตหรือว่ามีความหมายประมาณไหนแล้วก็มีเหตุการณ์สมมุติขึ้นมาว่าถ้าเราได้พบข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือเห็นพฤติกรรมทางไม่ดีของพระสงฆ์แล้วเรามองว่าในขณะที่พระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระศาสนาอาจจะมีกริยาที่ไม่เหมาะสมทําให้เรารู้สึกมีการตำํำหนิในใจหรือบางครั้งอาจจะรู้สึก พูดหรือตำหนิทางได้วาจาไปค่ะพฤติกรรมของเราแบบนี้เรียกว่าเราหวั่นไหวหรือไม่คะหวัว่นไหวเนี่ยยอมเข้าใจอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่ายอมไปหวั่นไหวในคนทําผิดเหรอตารวจแต่งเครื่องแบบแล้วเป็นโจรบอกอยาหวั่นไหวในตํารวจต้องเชื่อว่าเขาเป็นตํารวจก็เขาเป็นโจรอยู่เขาออกคเครื่องแบบมาแต่งเฉยๆพระศาสดาจึงบอกว่าอะไรคือความเป็นสงศ์สาวกข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ศีลถูกต้องครบถ้วนบริบูรณ์นั่นแนหะคือสงสาวกวัดที่ข้อปฏิบัติโยงไปวัดกันที่เครื่องแบบนี่โยง ม, มองเครื่องแบบแล้วสงสงสงไม่ใช่คือข้อปฏิบัติกายวาจาที่ถูกต้องตามศีล น, นะที่พระเจ้าวางเอาไว้นะในศีลทั้งสามระบบสองพันกว่าข้อพระต้องรักษาทั้งหมดนะสองพันกว่าข้อเนี่ยศีลก่อนปฏิโมกเนี่ยสาม้อหกสสาข้อนะ สินปาติโมก150ข้ออภิสมาจารอีก 1,940 กข้อ 2,000 ักว่าข้อเนี่ยโยมต้องรักษานะตัวพระเนี่ยต้องรักษาให้ดีดรานพู้เจ้าจึงบอกสงสาวกของพระตถาคตมีหลายปกติโสดาสกิทาคาอนาคาพระหลันนะออกอีกนายะหนึ่งระดับสินบริบูรณ์ปาติโมกและภิสมาจารบริบูรณ์นะเข้าสมาธิ ระดับรูปรสัญญาสมาบัติได้รูปรสัญญาสมาบัติได้โซดาสกิทาค า, า, าร์นาคาพลัสเจ็ดระดับนี่คือสงสาวกโยมมีเครื่องวัดนี่เป็นเกณฑ์หรือเปล่าโยมเล่นมองเฉยๆแล้วผมบอกว่เอ้ยไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช่สงสาวกใช่ไหมตัวการนั้นคนทําผนะิดเนาะอ่าอ่าแล้วความไม่หวั่นไหวก็เหมือนกับว่าถ้าโยมปวดหัวนะอาตมาเอายาท่าน้ําขาวให้โยมกินโยมเอาไหมา ไม่เอาเพราะโยมไม่ศรัทธาโยมไม่ศรัทธาอย่าท่าน้าขาวแต่ท้านมาให้พาราเซตามอลโยมโยมกินไหมขอไทลินอนค่ะอ่าใช่ไหมไทลินนอนพาราใช่ม ะ, นนมะกินไหมอ่าโยมกินทำไมเพราะโยมศรัทธาถ้าโยมเกิดมาครั้งแรกในโลกไม่เคยเห็นคนกินไทลินนอนหรือพาราหายเลยเนี่ยโยมกล้ากินไหมไม่กล้ากิน แต่พยมเคยมีความรู้มาแล้วเคยเห็นคนหายมาแล้วนั่นคือมีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าคนที่เสพธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยมีจริงใช่ไนั่นคือศรัทธาอันไม่หวั่นไหวในธรรมะในพระพุทธเจ้าใช่ไอ่าและในพระสงฆ์คือเฮ้ยเราเคยเห็นคนที่หายแล้วจากการได้ธรรมะตรงนี้ไงใช่ไหอ่า คันนี้คำถามถัดไปเป็นคำถามที่เกีย่ยวค่ะอ่อฮออ้าสินที่คุยกันลสมที่จออฮะอ๋ออออ๋าาอาาอาาอาาอออฮสินจริงสองพันกว่าข้อนะเอ่อตอนนี้เราสามารถให้โยมเนี่ยมีศักยภาพด้วยตนเองโดยที่โยมไม่ต้องพึ่งอัตมา พราะเราทำโปรแกรมในการที่จะสแกนพุทธวัจนะทั้งหมดในบาลีสามรัฐอย่างเนี้ยสี่สิบห้าเล่มวินาทีเดียวนะสมมุติว่าเอาสแกนให้ดูในคอมพิวเตอร์ก่อนในโน้ตบุ๊กเดี๋ยวจะสแกนให้ดูในมือถือนี่เพิ่งเขียนโปรแกรมเสร็จหยกๆกนะอลองดูในมือในโน้ตบุ๊กนะเราก็สแกนคำว่าสิขาบทสองสองเจ็ดกดค้นหา ไม่พบคำว่าสิกขาบทสองสองเจ็ดไม่มีอะเยอะหรือโยมจะนั่งเปิดทีละหน้าก็ได้นะถ้าไม่เชื่อคอมพิวเตอร์อ่าใช่ไหมอ่าเราสักเปลี่ยนตัวเลขหมายเป็นหนึ่งห้าศูนย์กดหนึ่งห้าูนกดค้นหาพระสูตรขึ้นมาละกดดึงรายละเอียดขึ้นมาอ่า บาลีสียมลัดเล่มที่ยี่สุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสองอังคุตร ะ, ะนิกายเสกสูตรที่สี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิขาบทร้อยห้าสิบทวนนี้ยมมาสูตเทศทุกึงเดือนอุเทศทุกกึงเดือ น, อ ท, ท, กกอนทุกกึงเดือนคือทุกสองอาทิตย์เนี่ยพระต้องเอามาสวดสู่เทศคือการสวดจํานวนร้อยห้าสิบข้อไม่ต้องเอามาสวดสองพันกว่าข้อนะเอามาสวดแค่ร้อยห้าสิบนะแต่ศีลเนี่ยจะมีสามกลุ่มกลุ่มอา่า บัญญัติก่อนปฏิโมกมี36มสข้อถ้าเราใส่ข้อไปผู้เจ้าไม่ได้ใส่ข้อแต่บอกว่าภิกษุนี้ัะปาณาติบัตสนี้ก็เป็นสินเธอประกันหนึ่งและอัินาทานนี้เป็นสินเธอประกันหนึ่งเราก็ใส่ไป123่สดูซิว่าจะมีสักกี่ข้อได้สามส่วนปฏิโมกก็คือ150ยห้าผู้เจ้าบัญญัติส่วนอภิสมาจารย์ให้พระนั่งนับเนี่ยได้หนึ่ข้อรวมแล้วสองพักว่าข้อนะต้องรักษาทั้งหมดแต่เอามาสวดแค่ร้อห สวร้อยหิบก็เป็นชั่วโมงนะแต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้นั่งสวดสองสองเจ็ดซึ่งไม่รู้ใครบัญญัติใช่ไหมใช่บัญญัติร้อยห้าสิบที่มาสองสองเจ็ดไม่มีใครหาได้แต่ก็ยังถือกันอยู่ถือตามสิ่งที่หาไม่เจอแตท่ทั้งทั้งที่รู้ว่า พระศาสดาบัญญัติในทุกตำราโยมเปิดเมื่อไหร่ก็เจออย่างตำราของมหมาโมกุฏหน้าสี่ร้อยห้าสิบเบ็ดไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้ร้อยห้าสิบเปิดเมื่อไหร่ก็เจอทุกตำรามีแต่คุณไม่เปิดกันเองแค่นั้นเองนี่ของมหมาโมกุฏราชวิทยาลัยเป็นตำราที่อตมาไม่ได้แต่งเองแค่เอาตำราเข้ามาพูดนี่ของ ม, มาจุลาเปิดก็เจอนะอันนี้ขั้นไม่ให้ ถ้านิยมก็เปิดในหน้าสามร้อยสิบเอ็ดก็จะเจอสิขาบทร้อยห้าสิบไฮไลท์สีเหลืองไว้ให้นะเหมือนกันเพราะทุกอันเนี่ยเอามาจากบาลีสามรัาข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกที่ประเทศไทยถืออยู่และตอนนี้เราทำลงในซีดีแผ่นนี้และเพิ่งเขียนโปรแกรมเสร็จใส่ในโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการของแอ d ดรอ d นะ เพราะนั้นถ้าใครมี s t c Samsung iMobile อันนี้เดี๋ยวขยายขยายขึ้นจอให้โยมดูนะว่าแอ p พลิเคชันเป็นยังไงนะแล้วกำลังจะเขียนลงไปใน i p h o n นะต่อไปก็ทุกระบบปฏิบัติการจะใช้ได้หมด ตรงนี้นี่อีแตพิตะกะนะอันนี้เป็นรุ่นที่ทดลองใช้ที่โยมต้องดาวน์โหลดมาหลังจากพัฒนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะเอาเข้าไปใน a n นดรอย m a มาเกตนะให้สแกนได้ทั้งหมดอ่ะลองอ่พอกดไปดูปั๊บนี่ก็จะพระตัปิฎกขึ้นมาโยมก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกวิากวนายปิฎกสุดตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกนะสุดตันตปิฎกลองไปดูซิ สุตตันตปิฎกมียีิบ้าเล่มยมก็เลือกเล่มได้นะ่อ่ลองเล่ม18กดอ่านดูนะ่เนื้อหาก็จะขึ้นเลื่อนไปต้องการอ่านเรื่องอะไรใช่และสิ่งที่สำคัญการบรรจุตรงนี้เนี่ยมันทำมาตั้งนานแล้วสิ่งที่สำคัญคือตัวสแกนตัวนี้นะต้องการค้นหาคำที่สงสยัยปับ๊บมีคีย์ขึ้นมาให้สงสยัยคำว่าอาณาปานสติ เราก็คียคําว่าอาณาปาเข้าไปอ่เดี๋ยวล้วก็คียคําว่าอาณาป่าอาณาปาอย่างเดียวก็พออาณาปาแล้วก็กดค้นหาเขาก็จะให้เลือกว่าจะค้นหาในปิฎกไหนบ้างแล้วเอาทั้งหมดอย่างนี้ก็กดค้นหาไปปั๊บนี่มันสแกนละปั๊บก็จะขึ้นพะสูตรมาว่าทั้งหมดเจอเท่านี้วินัยปิฎกหนึ่งพสูตรสุดตัณฑปิฎกสี่สิบห้าสิบสี่พัสดุ์อภิธรรมปิฎกต้องการดึง ตรงไหนขึ้นมาอ่ดึงขึ้นมาสักอันหนึ่งมีคาว่าอาณาปาป้ายสีเหลืองไว้ให้เห็นน ะ, ะต้องการพลิกไปดูบาลีไหมกดเมนูเทียบเคียงปั๊บนะต้องการข้อไหนในบาลีก็จะขึ้นมาหัวข้อเดียวกันที่เราเลือกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบ้านะมีอาณาปาตรงนี้เห็นน ะ, ะลากไปดูเป็นคาพระพุทธเจ้าไหมก็คือพุทธเจ้าก็ ตัดกับพิสูจน์ทั้งหลายอย่างนี้อยู่ในบเวลีคําพูดว่าดูความพิสูจหลายเพราะนั้นโยมไม่ต้องรู้บาลีอะไรมากก็ได้นะแค่รู้จักคําที่เราสงสัยคียเข้าไปปุ๊บเทียบเคียงข้อมูลโยมจะเห็นเลยว่าคําที่ถูกแต่งขึ้นเนี่ยมันจะเกาะกลุ่มกันอยู่และมันจะไม่หลุดเข้าไปในคําพระพิเศษเลยแม้แต่นิดเดียวนะตรงนี้เกิดประโยชน์สูงมากนะเพราะฉะนั้นเราเราพยายามจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะ พิสูจน์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่องอาตมาพึ่งใครนะพึ่งพระพุทธเจ้าทุกคนจะมีพระเจ้าอยู่กับตัวสงสัยรายถามท่านสงสัยรายถามอั๊บนี่นะอ่าฮะต้องมีเยอมมีทุกวันนี้เราก็ปฏิบตัติอ่าฮะเวลาจิตที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยเยอมไม่ต้องไปพูดถึงศีลเลย นั้นเวลาพระตถาคตตัดเรื่องมัสมีองค์8เนี่ยผู้เจ้าพูดย่อเหลือสาคือสินสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือสองคือสมถากิปัสนาถามทำไมไม่พูดเรื่องสินขณะที่จิตรู้อยู่กับลมเป็นสมาธิกายวาจาผิดตรงไหนไม่ผิดเลยนะเพราะ น, นั้นสินไม่ต้องพูดก็ได้ถ้าคนนั้นเนี่ยมีจิตอยู่กับสมาธิจเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ ก็จะพูดเรื่องสมาธิกับปัญญาสองอย่างกันนั้นจึงมีชื่อสมถะกับวิปัสสนาเป็นชื่อแทนมักมีองแปดเพราะนั้นภิกษุในครั้งพุทธกาลวัดชีบุตรบอกผู้เจ้า ว, ว่าโอ้โหร้อยห้าสิก็จำไม่ไหวละผู้เจ้าบอกอ่ะไม่เป็นไรเธอจำสามข้อได้ไหมอธิศิลสิกขาอธิจิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาบอกจาไว้อะถ้าไหวทไปเลยแค่นี้หลุดพ้นได้นี่ไงอ่า ะะอพอดีมีหนึ่งคำถามเลคะพระอาจารย์ที่อาจจะลองใช้ HTC ลองใช้ดูว่า <S <S สามารถที่จ ะ, อะตอบคําถามข้อนี้ได้ไหมคะเพราะว่ามาีคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสี่ะคะ่ะว่าในเรื่องของอริยสัจ4ีจะมีวิธีการคิดหรือว่าการใช้ของอริยสัจสีมาดับทุกข์ได้หรือไม่และอย่างไรอะค่ะพระอาจารย์อริยสัจสี่เนี่ยเป็ น, ปนการดับทุกข์โดยตรงเลย หลักในการมองเนี่ยผู้เจ้าให้มองเห็นแค่เกิดกระดับจบแค่แค่นี้ประเด็นสำคัญคือเห็นเกิดเห็นดับถามว่าเห็นเกิดดับแล้วจะได้ปัญญาอะไรโยมจะได้ปัญญาว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นของมีชั่วคราวไม่ได้มีทาวอนโยมจิตโยมไปรับรู้อารมณ์เนี่ยปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วโยมก็ละนันทิปักลับมาลมหายใจหรือกายเรา ยมจะเห็นอารมณ์นี้ดับไปทันทีแล้วจิตก็มารู้อารมณ์ใหม่ยมจะเห็นว่าจิตที่กําลังคิดเพลินๆอยู่เนี่ยตั้งแต่เกิดรู้ลมหายใจปุ๊บหลุดไปคิดมาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักพักหนึ่งยมละความเพลินกลับมาอารมณ์นี้ดับไปยมเห็นมันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกต้องไหมยมจะสรุปอะไรได้สรุปว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นอนัตตาคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปมีชั่วคราว ไม่ได้มีถาวรนี่ไงเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงให้เฝ้าเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับแล้วโยมจะเห็นสิ่งที่กําลังเห็นเกิดดับกับมันเนี่ยเป็นอนัตตาเมื่อเห็นอนัตตาแล้วโยมจะเกิดปัญญาอะไรนะผู้เจ้าอธิบายอย่างนี้หลวงบอกว่าเธอเห็นเลกวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมอ่าสาวพวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากแล้วถูกอาไฟเผาไหมไม่รู้สึก ทำไมไม่รู้สึกเล้วก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานั่นแหละผู้เชา่าบอกถูกต้องใช่ไหมอืมทำยังไงละ่ะเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอื่นจากเราเราผู้สังเกตกับสิ่งที่กำลังถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันอย่างนี้สิ่งนั้นเรากำลังเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เราไม่ได้ดับไปตามมันเรามันเราเห็นมันอยู่โยมเห็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปทุกเกิดมาแล้วหายไป คิดอดีตเกิดมาแล้วหายไปโยมยังอยู่นะมันหายไปแล้วแต่โยมยังอยู่แสดงว่าโยมกับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันศาสนาของเราในวันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยปัญญาเราสุดแค่เห็นอนัตตาเพราะไม่เข้าใจตรงนี้เมื่อไม่เข้าใจตรงนี้อธิบายไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงนะปัญญาต้องเลยมาถึงตรงนี้ว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วถึงจะเข้าวิมุตตหลุดพ้นได้อย่างนี้ แต่จิตคนก็จะเดินไปเองนั่นแหละนะ <_ d ans> เพียงแต่จิตเขาเนี่ยเดินไปแต่เขาเนี่ยอธิบายหรือพูดออกมาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดานะจึงมีกลุ่มสาวกบางคนที่พูะเจ้าบอกว่ารู้เล่สัตว์แต่ตอบปัญหาพิธรรมัมไปพี่นนยไม่ได้นะหรือรู้เล่สัรแล้วตอบได้นะกับอย่างที่สามรู้เล่สัตว์ตอบได้มีเอกลักปัจจัยพร้อมบริบูรณ์อย่างนี้ เปรียบเหมือนม้าที่มีทั้งความเร็วสีสันสวยงามและมีสวดทรงบริบูรณ์นะค่ะไม่ทราบมีท่านไหนมีคำถามไหมคะเนี่ยคะ่ะ มีคำถามทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะะพระอาจารยาา์ถามว่าการปฏิบัติงานแบบไม่เต็มกำลังเช่นวันทำงานของบริษัทเรามีวันละแปดชั่วโมงแต่ถ้าเราทำภารกิจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทถือว่าบาปหรือไม่คะ อ, อ, อ, อยู่ที่เจตนาเนาะเราเราเจตนาจะจะหลีกเลี่ยงอย่างนั้นหรือเปล่าน ทนี้บางคนเนี่ยไม่ได้เจตนาแต่เพราะว่าหลงอารมณ์เพลินต่ออารมณ์สมมติว่าโยมมีเรื่องทางบ้านมานะลูกติดยาเสพติดจะทำยังไงดีวันนี้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่ายมมาทำงานเนี่ยโยมก็กำลังนั่งทำงานด้วยความตั้งใจแต่แป๊บความคิดมันคิดไปแล้วเฮ้ยลูกเราเป็นยังไงก็นั่งจออยู่ที่ทางานแต่ใจมันไปคิดไปแล้ว โยมไมไ่มีเจตนาแต่งงานไม่เดินนะอืมงานไม่เดินนี่ก็แบบหนึ่งนะซึ่งมันเป็นได้หมดเลยอ่าส่วนคนคนบางคนก็อาจจะเพลินต่อเอเหลือไปเห็นเพื่อนตั้งวงกาแฟกันเนี๋ยไปนั่งคุยกันสักหน่อยอ่อันนี้เพลินต่ออาสาทะนะรดอร่อยอันนั้นเพลินต่อทุกเมาหมกใช่ไหมอ่าอันนี้เพลินต่อรสอร่อยก็ไปหาอารมณ์มันเป็นที่น่าพอใจทำ เพราะไม่ตั้งไว้ซึ่ง ก, ยกายะคตาสติไม่ฝึกสมาธิพวกนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะแต่เขาทนต่ออารมณ์ผัสสะที่มากระทบข้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีสมาธิเท่ากับบริษทัทถูกโกงเวลาโดยอัตโนมัติ <laughs> ใช่ไหมเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีหัวข้อการบรรยายทาหัวข้อนี้ง่ายๆจะเดินสมาธิค่ะมีคำถามอีกอันข้อหนึ่งค่ะถามว่ากรณีที่เราได้ตกปากรับคำกับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วแต่เราไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเรารับอาสาทำงานแล้วทำไม่สําเร็จหรือกรณีที่ผู้ชายบอกให้ผู้หญิงรอแต่สุดท้ายก็ไปแต่งงานกับคนอื่นนะคะแบบนี้ถือว่าบาปหรือไม่คะ อ๋อก็เรียกว่ากายกรรมคดวจีกรรมคดมนโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงพบของผู้มีกายกรรมคดวจีกรรมคดมนโนกรรมคดจะเป็นอุปบัติที่คดด้วยคือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหมูหนูนกเค้านะนั้นนี่เป็นวิบาส ข, ของผู้มีกายวาจาใจาไม่ตรงใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครไม่ซื่อตรงโปรดซื่อตรงนะ ต้องเป็นคนที่มีศัจจะค่ะค่ะเป็น<ด><ง>คำถา ม, ถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำทา น, นะคะพระอาจารย์มีถามว่ามีหลายคนมักจะพูดกันว่าการทําบุญทําทานถือศีลหรือแม้กระทั่งเรื่องของการภาวนาเหตุใดทำไมถึงการทําบุญสิ่งเหล่านี้ถึงไม่เท่ากันเพราะอะไรถึงได้บุญไม่เท่ากันและเราสามารถที่จะวัดและดูจากอะไรค่ะอ๋อวัดและดูจากว่าการกระทาใดเข้ามรรคผลนิพพานได้เร็วได้ไว โยมให้ทานมากี่ชาติเอาเอาชาตินี้ชาติเดียวก็ได้ให้ทานมาสามสิบปีนะโยมยังผิดศีลได้ไหมนะยังตบยุงยังขโมยยังโกโหกอยู่นะเพราะนั้นโยมต้องใช้การฝึกอีกเยอะไหมนะทั้งทั้งที่ให้ทานเยอะแต่ยังต้องใช้การฝึกจิตอีกเยอะเพื่อที่จะมาทำศีลตัวเองให้มันดีใช่ไหมอ้อาวโยมฝึกศีลดีละ สมาธิโยมดีไหมไม่ดีสินโยมดีเปี้ยเลยจิตยังฟุง้งไหมนั่งนาทีเดียวก็โอโ้ไปกี่เรื่องก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่กายวาจายมเนียบเลยจิตยังฟุ้งอยู่เข้านิพพานไหวไหมไม่ไหวเพราะจิตต้องตั้งมั่นเมื่อกี้อธิบายโพชฌงเจดไปแล้วใช่ไหมยังไงจิตต้องตั้งมั่นนะเป็นสมาธิเนี่ยอันนี้ส่งมากไหจริงยังไม่มากเท่านั่งสมาธิผู้เจ้าจึงบอกว่า สมัยพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะให้ถาเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันยังสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคารีองค์เดียวไม่ได้ไล่ไปจนถึงพระหลานองค์เดียวและให้กับพระรหลานร้อยองค์ก็สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหารร้อยครั้งก็สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้เห็นไหมยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้สิบนาที มากกว่าการที่โยมรักษาสินร้อยครั้งมากกว่าสร้างกุติวิหารอีกเป็นร้อยคูนร้อยมากกว่าการให้ทานกับพระหลานเป็นร้อยคู 100. นร้อยคูนร้อยนี่เลือกเอาเองใช่ไมะมเพราะว่าโยมนั่งสมาธิพับจิตตั้งมั่นเห็นเกิดดับปล่อยวางโยมเข้าวิมุติเลยนะไอ้นี่ทําทานรักษาสินแทบตายยังเข้าไม่ได้เลยอะ่ะใช่ไหมวัดกันที่ตรงนี้เข้าใจไห อตอนนี้ก็ดูลมหายใจอย่างเดียวดูมากค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาค่ะว่าทุกครั้งที่เราทำบุญจำเป็นที่ต้องมีการกรวดน้ำแผ่เมตตาทุกครั้งเลยหรือไม่แล้วในแท้ที่จริงแล้วการแผ่เมตตาที่ถูกต้องควรทำอย่างไรค่ะผู้เจ้าสอนแผ่เมตตาไม่ไดสอนกรวดน้าสแกนกรวดน้าก็ได้อลองคีย์คาว่ากรวดน้ำให้เขดูว่าผู้เจ้าเคยสอนไหม แล้วก็คีคําว่ากรวดน้ํากดค้นหาไม่พบคําว่ากรวดน้ําในพระตรปิฎกนะไม่รู้ใครสอนอะแต่พระเจ้าไม่ได้สอนเพราะะฉนั้นเรากําลังจะแยกข้อมูลที่ปิดเพี้ยนหรือที่เกินจากที่หลุดออกจากปากพระเจ้าออกไปศา ส, สดาไม่ได้สอน อ, ออกไปก่อน อ, ออกไปก่อนอย่างนี้ยเอาเหลือแต่พระศาสดาสอนแค่พระศาสดาสอนก็นี่มากมายขนาดนี้สาสสามเล่มหนังสือพุทธวจนะนี่เห็นน ะ, ะไม่ง่ายเพราะฉะนั้น ไอสิ่งที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้ามาในศาสนาพุทธเนี่ยเรากําลังแยกออกไปนะเพราะฉะ น, นั้นตัวโปรแกรมตัวนี้ถึงบอกมีประโยชน์มากยมเคยได้ยินคําว่าคณิกะสมาธิอุปจารัปนามาะแอาเราลองขีดสิคณิกะสมาธิผู้เจ้าเคยสอนมามไม่พบอีกเหมือนกันเห็นไหมอุปจาระสมาธิละ่ะไม่พบอีกเหมือนกัน อัปนาสมาธิก็ไม่พบยอมจะพิช k e y w o ์ d ไปต่างๆก็ยังไม่เจอเพราะผู้เจ้าตัดสมาธิแค่เก้าระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอากาสารัญจัยจตนาะวิญญาณัญจัยจตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะสัญญาเวทิตานิโรธไม่เคยพูดผิดไปจากเก้าคำนี้เลยทั้งชีวิตใช่ไหมอ่าเนี่ย แต่พระเราสอนคณิกะพระจ้าล่ะขนาเต็มเลยเห็นไหมพระสอนเกินพระศาสนาอีกแล้วเห็นไหมอ่าะะฉนั้นโยมไปเจอพระสิบวัดจึงสอนคณิกะสิบแบบเพราะว่าพระเจ้าไม่เคยตัดไว้ก็นิยามคําพูดกันเอาเองอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนภัยเมตตาสอนแผ่เมตตาค่ะอ๋อถ้าคีย์คำว่าเมตตานะอืก็จะไปเจอ หลายเรื่องอยู่แผ่เมตตาเยอะนะพี่คำว่าเมตตาเข้าไปเมื่อสุดก็จะขึ้นมาเราก็ลองดูกับที่ตัดกาวาเสตฐะก็ได้แผ่เมตตามีไมหม ะ, ะแผ่เมตตาอ่าสึกตรงนั้นจะใช้คำว่าจเจริญเมตตาลองใช้คาว่าจเจริญเมตตาอืม เธอจงเจริญเมตตาภาวนานะสอนกะราหุนนะสอนกะวาเสตถาบ้างเอาลองไปดูกะวาเสตถาก็ได้วิธีแผ่เมตตาตัดไว้กะวาเสตถาอย่างนี้เนี่ยต้องละนิวรณ์ห้าไม่ใช่ไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วต้องเตรียมจิตนะให้ปราศจากนิวรณ์คืออกุศลห้าอย่าง หรืออกุศล ส, สามอย่างการพยาบาทเบีเบียน5อย่างคือกรรมฉันทพยาบาทถีนมิทะอุทธจกัจกกุกุจจะคือฟุง้งซ่านวิกิติชาสงสัยลังเลที่ตนละได้แล้วปลาโมทย่อมเกิดปลาโมทยมเ่ทยเกิดปิติเกิดกายสงบประงับสวยสุขจิตตั้งมัน่นเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งสองสามสเนี่ยบางทีคําว่าแผ่กับคาว่าเมตตามันไม่ได้อยู่ด้วยกันถ้าโยมคีคําว่าแผ่เมตตาบางทีมันหาไม่เจอ เราก็เลยบางทีต้องพลิกคีย์เวิร์ดไปมาอย่างเนี้เธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวา ง, วางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจํากัดแล้วแลวอยู่วาเสตหาเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากชันใดเมตตาเจตวิมุตติก็เหมือนกันนั้นพระเจ้าสอนไว้ แล้เราจะไม่เจอคําว่าโกวดน้ําแต่สอนแผ่เมตตาและสอนการรูทิศบุญกุศลที่ตัดไว้ในเรื่องของทิฏกที่ให้บุตรเนี่ยทำกับบิดามารดาเมื่อทําการละล่วงรับไปแล้วนะอ่าังั้นถ้าเราไปดูในทิฏกเราก็จะเจอหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดาบุตรพึ่งปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลปฏิบัติตนเป็นทายาท เมื่อท่านทำการละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทำทักษิณาอุทิศท่านนะแล้วก็จัดไว้ในการใช้จ่ายทรัพย์ข้อที่3นะ อ, อันแรกเนี่ยเลี้ยงดูตนเองมันดาบิดาบุตรภรยาข้าท า, กากสกรรมกรซะก่อนสองทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายสาเนี่ยอุทิศบุญให้ผู้ตายละช่วยชาติชาติพรีเปตะป ร, รีเทวตาพรีนะแล้วก็สุดท้ายให้แก่สัปภามผู้บำเพ็ญตนเพื่อการผลุกสข้อนี้ อ่าฮะอ่าฮอ๋อมีอยู่แต่มีวิธีในการเจริญเมตตาภาวนาซึ่งไม่เหมือนกับปริพภาชกสมัยปริพภาชกหรือฤาษีโยคีเขาเจริญเมตตาภาวากันพระสูตรนี้พระเพิ่งไปเจอเมื่อไม่นานนะ ก็เลยยังไม่ได้เอาลงไว้ในนี้นะพระสูตรนั้นจะบอกว่าพิสูจนเมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาแล้วเนี่ยให้เธอพิจารณาให้เห็นว่าเมตตาภาวนานี้ก็เป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งให้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเมตตาภาวนานั่นน่ะเนี่ยเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นบีมุตดกรุณามุติตาเบคาเหมือนกันหมดเลยเห็นเกิดเห็นดับเห็นไหมไม่หนีอริยสัจ4ี เมื่อฤาษีโยคีทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นอริยสัจสีไม่รู้ก็จึงไม่ติดอยู่กับเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเพราะไม่รู้นิสารนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงเนี่ยนะฮเพราะนั้นหลักก็แค่นั้นเองเห็นเกิดเห็นดับและรู้ว่าไอเนี่ยมันปรุงแต่งมีการเกิดและมีการดับมีท่านไหนมีคาถามไหมคะ ใชไหมคะ้อเดี๋ยวีธรรมเนียมปฏิบัติอ่อคือส่วนมากเวลาที่เราไปงานบวชพระใหม่จะเป็นเหมือนนีปฏิบัติแ่ที่คือการใส่เงินในย่ามพระใหม่เรียกว่าการถวายเงินาีไมะเจบอกธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่มีในพุทธวจนะไงเราทำผิดจนเป็นธรรมเนียมจะเอาความผิดมาเป็นธรรมเนียมก็ไ ม, ม, ม, ม่ได้พู้เจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใด รับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสกยาปาจิตตีนะเพ <c oughs> ราะนั้นผู้เจ้าห้ามอยู่แล้วเป็นสินปฏิโมกที่ปลา ท, ท, ท่องท่องทุกึ่งเดือนคุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้ผู้เจ้าบอกถ้าคุณเคยนั่งฟังปฏติโมกสองถึงสามคราวมาแล้วมาบอกว่าไม่รู้เนี่ยผู้เจ้าปรับความผิดในฐานที่ไม่รู้อีกนะร้อยห้าสิข้อต้องจําให้ได้อันหนึ่งภิกษุไดรับก็ดีรับนะหรือให้เขารับ หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เป็นนิสกิยาปาจิตติตัวพิสูจ์ต้องอบัดปาจิตติเงินทองเป็นนิสกิต้องสลาทิ้งท่ามกลางสง์มีอธิบายละเอียดตรงนี้ไว้อีกและถ้าโยมเอาเงินไปพระเอาเงินไปแล้วแล้วไปซื้อขายโดนอีกข้อหนึ่งอีกอันหนึ่งพิสูจน์ได้ถึงการซื้อและการขายนะนี่อันหนึ่งพิกษุนได้ถึงความซื้อขายด้วยลุยยะมีประการต่างๆเป็นนิสกิยาปาจิตติ ซื้อขายก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้นะให้ให้ได้ไหมให้แล้วมีการแลกเปลี่ยนไหมล่ะให้แล้วแลกเปลี่ยนจะโดนอีกข้อหนึ่งบอกอันหนึ่งภิกษุได้ถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆเป็นนิสสกิยาปาจิตตินะคือข้อนี้แลกเปลี่ยนไม่ได้มีประการต่างๆโดนอีกเหมือนกันโยมไม่หวังว่าเป็นเงินก็ได้ไม่มองค่าความเป็นเงินเอาไปแบงก์พันไอ้คนรับก็เอ้ยดีนะขอแลกอันนี้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยก็โดนอีกเหมือนกัน เท่าที่เห็นเนี่ยวัดตามวัดต่างๆนจะมีพระที่บวชแล้วพอเวลาที่ญาติโยมคึกพระเนี่ยจะมีของวาเวเยอะวัดจะเหลือเหลือใช้เหลือทานแล้วพอเวลานั้นก็จะให้ญาติโยมคนที่บ้านบ้างหรือว่าอังียคะก็เลยไม่รู้ว่จริงๆวิธีการแบบนี้ถูกหรือเปล่าแล้วทั้งคนรับคนให้เนี่ยบาปบาปไหมอ๋อถ้าของมันเหลือมันสลัดได้ ก็เหมือนอาหารนะโยมพระบินทบาทมาเนี่ยมันฉันหมดัหมเนี่ยท้องมันกระนิดหนึ่งใช่ไหมอาหารก็เยอะแยะโยมจะไปโยนทิ้งให้มันเสียหรอที่เหลือก็สละให้คนอื่นไปไงอ่าเป็นทานไปแต่พระเจ้าจะมีบัญญัติในเรื่องของที่ไม่อนุญาตให้สละเช่นผืนดินหรือว่าเอ่อพวกโลหะพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยคือเอามาทำเป็นกุฏิได้อย่างเนี้ยอ่า จะมีบัญญัติไว้ว่าอะไรควรสละได้อะไรไม่ควรสละอย่างนี้ค<ะ> <c oughs> ่ะมีคําถามที่ค่อนข้างจ ะ, ะนิยมกับวันนี้คะ่ะเข้ากันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักคะ่ะเพราะ <c oughs> เป็นเนื่องจากเป็นวันวาเวลนไทน์ใช่ไหมคะพระาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> มีคําถามจากเพื่อนถามว่าทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าคนที่คบอยู่ด้วยใช่หรือไม่สําหรับเราออันนี้อินเรสนะคะ เพราะที่เนื่องจากว่าได้ยินกันว่าคนที่เป็นคู่กันจะต้องนะมีสินและจา้ะเสมอกันจริง <c oughs> เราจะรู้ได้อย่างไรที่บอกว่าเสมอกันอันนี้คำถามที่หนึ่งค่ะ <c oughs> และคำถามที่สองสำหรับคนที่ไม่มีคู่รอมานานทาไมถึงไม่มีนะคะไมะ่ทำบุญหรือทำกรรมสิ่งใดไวและควรจะคิดอย่างไรค่ะคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะ ง่ายๆสบายๆถ้ามันมีมันก็มีเองอะ่ะถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีเพราะนั้นถ้าคู่ของเราเนี่ยที่พูะเจ้าตัดศรัทธาไม่เสมอกันศีลไม่เสมอจา้ะไม่เสมอปัญญาไม่เสมออยู่ด้วยกันยากนะจะมีโอกาสแตกกันนะแต่ถ้าสี่อย่างนี้เสมอกันพูะเจ้ายืนยันเลยว่าเธอจะอยู่ได้ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็ภพหน้าด้วยนะเพราะถ้า โยมภรรยาหูสินดีดีผัวที่ฆ่าสัตว์กินเล่ามาไปคนละพบแล้วนะพอตายไปแล้วนะมันไม่อยู่พบเดียวกันแน่นะแล้วความรักที่ผู้เจ้าให้รักคือรักอะไรผู้เจ้าให้รักธรรมะเรียกธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีให้รักในการประหารกิเลสประหานารามโมมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดี รักในการไม่พยาบาทอพยาปรชาราโมมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะ <c oughs> รักในความวิเวกน ะ, ะปะวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีและสุดท้ายก็คือรักในความไม่เนิ่นช้านิปปปัญจาราโมนะมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมจะรักเนี่ยผู้เจ้าให้รักอย่างนี้ นะอ่ารักอย่างนี้ไม่ผิดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกนะธรมาราโมทำเป็นที่มายินดีภาวนาราโมนะอืมไล่เป็นถึงไม่เนื่นช้าภิกษุประกอบด้วยทำหกประการนี้แล้วย่อมเป็นผู้มากไปด้วยสุขและสมณัติในทิฏฐธรมแปลว่าปัจจุบันการกำเนิดของเธอนั้นจะเป็นการปารลเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยแต่สิ้นอาสวะแน่นอน นี่ต้องรักอย่างนี้นะรักอย่างนี้ได้ประโยชน์เพราะปกติพูะเจ้าจะพูดเรื่องของความรักเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยพูะเจ้าจึงบอกว่าทุกใดในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทัพเป็นมูลมีเพราะฉันทัเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็ตาม ได้คำตอบไปแล้วนะคะค่ะครันนี้เป็นไม่ทราบมีเพื่อนๆมีคำถามถามพระอาจารย์ไหมคะเชิญค่ะอือ๋อเอาหนังสือพุทธวจนะไปให้เขาอ่านดีไหมอ่าเพราะเราจะไปประกาศต่อสาธารณะก็ไม่ได้เพราะว่าอะไร จะเป็นอัศตรบลุทธ์ผู้เจ้าบอกว่าสัตรบลุรุคนดีเมื่อไม่มีใครถามถึงความไม่ดีคนอื่นอย่าไปพูดถ้าเขาถามถึงความไม่ดีคนอื่นให้ช่วยหลีกเลี้ยวลดหย่อนอย่ากล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดไม่ใช่โอ้โหถามฉันถูกคนเลยรู้หมดเดี๋ยวบอกให้หมดเองน ะ, อ, ะอันนี้ไม่ใช่สัตรบรุ์นะนั่นเราก็ให้เขาศึกษาธรรมะให้มาก นะเอาซีดีหนังสือไปให้เขาฟังบอกบอกวิบากของการทําผิดศีลข้อสามสิว่าถ้าทําผิดเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกกับเนรเดชานเปลวิสัยส่วนวิบากอย่างเบานั้นพระองค์บอกว่าเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูจะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโยมในชีวิตมีศัตรูเยอะอย่าสงสัยนะแสดงว่าเคยทํามาเยอะเหมือนกัน นะฮฮอ่าฮะอ๋อเวลายมจละกิเลสเนี่ยอย่าเนิ่นชาาอย่าเลี้ยงอารมณ์มันไว้เข้าใจไหมอ่าอกุศลเกิดมาในใจผู้เจ้าให้ดับให้วัยดุดอะไรกระพิบตาบ้างหรือไฟไหม้ผมบุญศีรษะ ผู้เจ้าบอกถ้าไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเธออยู่เนี่ยนะหรือไฟไหม้ลุกโผร่เสื้อผ้าอยู่ให้ทํำยังไงโยมต้องรีบดับใช่ไหมขณะที่โยมรีบดับเนี่ยผู้เจ้าก็เอามาเปรียบเทียบกับอกุศล น, นะ <c oughs> ว่าเมื่ออกุศลเกิดขึ้นเธอก็ต้องรีบดับเหมือนกันนะโดยดว่นะดยดวนเลยน ะ, ะไม่มีใครรอหรอกถ้าไฟไหม้ผมบนศรีรษะใช่ไหมเหมือนกันเธอต้องทํำยังไงกระทาซึ่งฉันทะ ความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุสลหีความเพียรอย่างมากอปติวานีความเพียร อ, อ, อย่างไม่ถอยกลับสติสัมปันญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอากุโสธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศรรีรษะอันไฟลุกโพงแล้วจะกระทนะํานะเห็นไหมอย่าเดินช้าหนิไง <c oughs> ช้าไม่ได้เพราะถ้าโยมตายไปในขณะนั้นปั๊บเนี่ยโยมจะได้พบอันเป็นอบายทันทีไม่คุมไง เพราะเราเองเราเลือกเองไงนั้นเวลาเราไปพบภูมิไหนนี่ไม่ใช่ใครมาเลือกให้เรานะเราเลือกเราเองเพราะนั้นเราเนี่ยแก้ตัวเราเองได้เราเนี่ยเลือกได้แต่เราไม่เลือกไงเพราะความหลงผิดเพราะความเพลอแหน่ลมข้างหลังเช่นอ๋อ Uh huh. oh, อ๋ออาตมาไม่มีความเห็นอยู่แล้วไปดูความเห็นผู้เจ้าดีกว่าไหม mm hmm. อ่าสินที่บัญญัติก่อนปฏิโมกสาวกเนี่ยมีความเห็นหรือบัญญัติอะไรไม่ได้หรอกโยมทุกอย่างต้องพุทธวจนะนะเพราะนั้นถ้าไปดูสินก่อนปฏิโมก <c oughs> ผู้เจ้าจะตัดกับมหาราชะเนี่ยนะบอกมหาราชะผู้มีสินสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างไรเล่า พิสูจในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้และสัตว์ราเสร็แล้วมีความละอายถึงความเอนดูกลนาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่แม้นี้ก็เป็นสินเธอประการหนึ่งเนี่ยที่อาตมาใส่สาม้อสาข้อก็คือเนี่ยนี่ใส่เป็นหนึ่งพระราตินาทานก็บอกนี่เป็นสินเธอประการหนึ่งก็ใส่สองไล่ไปเรื่อยๆอาลองไล่ไป <c oughs> นะเนี่ยฉันวันหนึ่งเพียงหนเดียวด้วยนะเนี่เป็นโดยศินด้วยนะเป็นโดยปกติของพระเพราะนั้นพระฉันเกินหนึ่งมืถูก ป ร, ประปบัดด้วยนะจะเป็นอาบัติประชิติที่จัดไว้ในปฏิโมกสินด้วยนะอ่าไล่ไปห้ามทาลายพิษกรรมบริโภคสะสมไม่ดูการเล่นไม่เล่นการบันน น, นะไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่พูดด่าฉานกถานะไม่กล่าวคำแก่งแย่งไม่เป็นทูตนำข่าวไม่ล่อลวงชาวบ้านไม่เป็นหมอทายโชคลางนี่ไงนี่ก็อันหนึ่ง ไม่ไทายลักษณะร่างกายทายในมิตรลางดีลางร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีเบิกแวนเวียนเทียนซัดปลยแกลบปลอยลจุดไฟบูชาเสกเป่าเป็นหมอดูว่าร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอดูลักษณะไล่นาหมอปลักเณกหมอผีัไหมอทําหมอันามันบ้านเหมอลักนเห็นนะทํ่ายอันษณาหอละไต่าอะไล่นาหมะไปป่าหะนะมส่วะ่นภิกษุในล่นาหมอดักษี้เธนอเว้นขามดจากนการเลี้ยงชีวิตผิด เพราะทำเดลชานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งไม่ต้องให้ตามาตอบเลยนะโอ้โหชัดเจนมากแล้วมีอีกเยอะเลยโยมมีเยอะมากเนี่ยหมอทายลักษณะสิ่งของทำนายการลบพุ่งนะหมอโหราศาสตร์เนี่ยอ่าลองไล่ไปสิมีอะไรอีกหมอทำนายดินฟ้าอากาศหมอดูเลิกยามนี่เข้าเจ้าเข้าหญิงถามเทวดาบวงสูงพระอาทิตย์ทาพิธีต่างๆเนี่ยห้ามหมดเลยโยม เป็นหมอผีหมอยาเนี่ยพ่นน้ำมนต์ก็ไม่ได้นะเนี่ยนะประกอบยาประจุสอนมนกันผีนะบวงสูงแก้บนนะทาเนี่ยโอ้โหครบเลยนะมีทไหมมหาราชาภิกษุนั่นแหละเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอย่างนี้ย่อมไม่ได้เห็นภัยแต่ที่ไหนไหนเห็นไหมอืม ทำไม่ได้เยอะ <laughs> มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามนะคะค่ะถามพระค่ะ <c oughs> ได้ขอได้อยู่ที่โยมสร้างเหตุหรือเปล่า <c oughs> พระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมัน เขาก็เอาเมล็ดงามาคั้นตราบใดมือเขายังคั้นเขาก็ต้องได้น้ามันเขามือเขาคั้นแล้วเขาปรารถนาเขาก็ได้มือเขาคั้นเขาไม่ปรารถนาเขาก็ได้เพราะเขามือเขายังคั้นอยู่แต่ถ้ามือเขาไม่คั้นปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้พระเจ้าไม่ไดไม่ได้ตําหนิการปรารถนานี่ปรารถนาได้แต่สร้างเหตุถูกหรือเปล่านั้นถ้าสร้างเหตุไม่ถูกก็คือไม่ได้นั้นบางคนเนี่ยอยากแก้กรรมอยากหมดกรรมไปนอนในโรงมันจะหายไหมเนี่ย ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยน ะ, ะยังไม่มีทางพ้นเลยเห็นไหม ม, มักมีองค์ดเท่านั้นที่จะเป็นเหตุในการดับไม่เหลือของกรรมนะหรือได้มาซึ่งความปรารถนาของเราค่ะคราวนี้คำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ว่าหากเราตั้งจิตอธิษฐานที่จะไม่อยากมาเกิดอีก ไม่ว่าจะในภพภูมิใดก็ตามเราควรจะต้องคิดหรือต้องปฏิบัติตนรวมถึงการสร้างเหตุและปัใจจัยในชาตินี้อย่างไรเพื่อการที่ไม่เกิดค่ะอ๋อเจริญมรรคแปดนี่แหละนะแล้วมรรคแปดเนี่ยย่อมาสมถาวิปัสสนาย่อมาเหลือลายนั่งรู้ลมหายใจเมื่อสักครูน่นี้ถึงวิมุติเลยเห็นไหมอ่กลับไปรู้ลมหายใจเข้าออกนะสบายสบาย ละความเพลินจิตอยู่กับกายละความเพลินจิตอยู่กับกายพอแล้วค่ะแล้วก็อาจจะถึงเวลานะคะเพราะว่าทราบมาว่าพระอาจารย์ต้องเดินทางไปบรรยายต่อใช่ไหมคะมีหมเหรอไม่มีไม่มีแล้วนึกว่าอาจารย์จะบรรยายต่อเพื่อนเ่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะนะคะถ้าเกิดก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะอยากจะนิมนต์ พระอาจารย์นะคะให้โอวาทกับพวกเราในเรื่องของการฝึกสติการเจริญสมาธิอีกครั้งนะคะก่อนที่พวกเราจะกลับไปสู่โลกของการทำงานก็ใช้หลักที่พระตถาคตได้บอกสอนเอาไว้นะการเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายในลักษณะรู้ลมหายใจรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทก็ได้ รู้การทํางานในปัจจุบันก็ได้เนี่ยโยมทำสามอย่างนี้พอละน ะ, ะเราก็จะได้มรรคผลแน่นอนการงานก็จะดีจะเจริญแน่นอนหรือหลักที่ผู้เจ้าบอก <c oughs> ถ้าเธอต้องการจเจริญทางโลกไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิยศต่างต่างนะหรือต้องการให้มีคนรักเนี่ยวันแห่งความรักอย่างนี้ต้องการให้มีคนรักใช่ไหมเธอทำสี่อย่างหนึ่งทำสินให้ดี อย่างที่สองไม่เหินห่างจากฌานคือรู้ลมหายใจเหมือนกันสประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาสให้สุญญาคลาวัดงอกกามคือวิเวกหลีกเล้นบ้างทำสี่อย่างเหล่านี้พู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรเธอจะได้สำเร็จตามความปรารถนานั้นทุกเรื่องนะงั้นเราสร้างเหตุปจัจจัยสอย่างนี้ให้ดีนะสินดีเราสินห้าให้ดี ไม่ห่างจากฌานคือรู้ลมหายใจแค่ชั่วลัดนิ้วมือนะผู้เจ้าบอกเธอไม่ห่างจากฌานนะประกอบพร้อมวิวปัสนาคือเห็นการเกิดดับและให้สุญญาคลาวัดงอกงามโยมก็หาที่วิเวกถ้าที่วิเวกหยายบๆทั่วไปก็คือที่ผู้เจ้าบอกเรือนว่างนะที่ว่างจากผู้คนบ้านเรือนเราก็ได้เรือนว่างท้องถ้ำเชิงเื้อผาป่าชา้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟังอย่างนี้ หรือถ้าโยมสามารถวิเวกในจิตได้นั่นคือวิเวกที่ละเอียดก็คือให้จิตตั้งอยู่กับกายเมื่อจิตตั้งอยู่กับกายผู้เจ้าบอกแม้เธอจะอยู่เกลื่อนกล่นไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาหมัตเดลธีหรือสาวกของเดลธีก็ชื่อว่าเธอเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้นะพอละความอยากในอารมณ์ได้นั้นโยมทําแค่นี้ชื่อว่าโยมจะเอาความจเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมได้ เธอจะเจริญด้วยบุตรพรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์อันเต็มขนาดแห่งบุุษนะและเธอก็สามารถได้วิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยนะอืมเป็นเนื้อที่เรียกว่านอนอยู่ในบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเพราะเป็นผู้ที่พร้อมจะกระโดดออกจากบ่วงคือรู้ธรรมะที่จะออกจากความแก่เจ็บตายอย่างนี้อเพราะ น, นั้นโยมก็จะต้อง <c oughs> ฝึกหัดปฏิบัติตรงนี้ให้มากทาให้มากเจริญให้มากนะ และเมื่อธรรมากจเจริญมากแล้วถ้าโยมสามารถเป็นผู้ที่เผยแพร่ธรรมารนี้ออกไปชักชวนผู้อื่นให้กระทำผู้เจ้าจะเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นสัตบุตรยิ่งกว่าสัตบุตรคือคนดียิ่งกว่าคนดีตัวเองปฏิบัติมรรคแแล้วยังชักชวนและน้อมนำให้ผู้อื่นปฏิบัติมรรคแ ด, ด้วยนะก็จะเรียกว่าเป็นสัตบุตยิ่งกว่าสัตบุตนะวิธีในการทำก็คืออันดับแรกโยมต้องทา ตัวเองให้ได้ก่อนคือศึกษาพุทธวจนะอย่างที่สองเนี่ยปฏิบัติตามพุทธวจนะและอย่างที่สามโยมก็ช่วยเผยแผ่พุทธวจนะออกไปนะจะเป็นเหตุให้โยมเนี่ยหลุดพ้นได้ด้วยและเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นของพระศัทธรรมเพราะบทพป็นชนะถูกต้องความหมายถูกอธิบายถูกและขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นบุญรากสืบทอดกันต่อๆไปศา ส, สนาจะตั้งอยู่ได้ อย่างมั่นคงเพราะเรามีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นสืบไปอย่างนี้นั้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ตัวเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นนะแล้วก็ในโอกาสนี้ที่เราได้มาฟังทำมาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราเนี่ยประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอันเป็นธรรมเป็นวินยัยนะมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการในใกล้โดยทุนาการทุกท่านทุกคนเตอขอเชิท่านากขอคุณอาจารย์ที่ได้งังแสดงธรรมให้เราได้เนธรรมค่ะคะอาตมาจะให้ดูพระสูตรหนึ่ง นางมาริกาไปถามพระพุทธเจ้านะว่าทำอย่างไรนะอเอาลงมาอีกขึ้นดูข้างบนอีกนิดนึ่งข้างบนทำอย่างไรเนี่ยนะจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงนะแล้วก็ร่ำรว ย, ยผิวพรรณงามนะ ดูก่อนนางมาริกามาัตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความมักไม่มากไปด้วยความขับแคนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองเพราะนั้นนายว่าอย่าขัดเคืองน ะ, ะไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยาน ระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหมและถ้ามาตุคามนั้นจติจากอัตภาพนั้นแล้วย่อมมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิกรักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากและสูงสักนะ อันนี้พระเจ้าก็จะบอกไว้ท่านจะตัดไปทีละเหตุปัจจัยตัดไปทีละเหตุอทีละเหตุทีละเหตุแล้วก็บอกว่าถ้าเหตุอันนี้ไม่มีเนี่ยก็จะรวยแต่ไม่งามอ่าอย่างนี้อ่านางมาริกาฟังเสร็จแล้วสงสัยดิฉันจะสินไม่ดีแต่ให้ทันเยอะเพราะชาตินี้ไม่สวยแต่รวยอย่างนี้อืมอ่านะ น, นี้ให้ดูพระสูตรหนึ่งนะแถมไว้สําหรับผู้หญิงนะ กายับกนเปิด